1.32 เจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วต้องทำสมถะตามรูปแบบด้วยวงเล็บเปิด22ตุลาคม2549จุดจุดนาที25วงเล็บปิดถ้าเราจ ะ, จ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ใช่อยู่ๆก็จเจริญไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งกำลังก็ไม่พอสายวัดปากครูบาอาจารย์จะสอนการปฏิบัติ3ขั้นตอนต้องทำทั้งสาอัน อันแรกเลยทำความสงบให้จิตตั้งมัน่นจิตสงบมีกำลังขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาทีนี้คนส่วนมากพอจิตสงบตั้งมั่นแล้วขี้เกียจขี้เกียจนี่ครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจารณากายอย่างนี้ก็เป็นสมถะอีกแบบหนึ่งให้คิดพิจารณากายพะหมดเวลาปฏิบัติในรูปแบบตอนนี้ต้องมีสติในชีวิตประจำวันฉะนั้นสติในชีวิตประจาวันสาคัญที่สุดแต่การที่ทาใจสงบตั้งมัน่น ทำใจให้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านอันนั้นก็เป็นตัวสนับสนุนที่สําคัญมากทีนี้ถ้าพวกเราทําฌานไม่ได้แต่ละวันแบ่งเวลาเอาไว้หน่อยหนึ่งไหว้พระสวดมนต์เอาไว้ได้สมถะสวดมนต์แล้วจิตใจสงบได้สมถะสวดมนต์แล้วขี้เกียจให้รู้ว่าขี้เกียจเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบ5นาที10นาที15นาทีต้องทําทําตามรูปแบบเอาไว้หน่อยหนึ่งแล้วหัดรู้สภาวะไป การหัดรู้สภาวะทุกวันทุกวันมีประโยชน์มากมันจะทําให้เรามีกําลังสติมันจะมีกําลังเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ถ้าเราทิ้งการทําในรูปแบบไปเลยนะเราจะไม่มีกําลังจริงมันเหมือนรู้นะแต่ใจจะกระจายกระจายรู้แบบไม่มีแรงรู้แบบป้อแป้ป้อแป้ไม่มีแรงครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะให้ทําสมถะก่อนแล้วก็มัาเจริญสติ ทีนี้พวกเราคนชาวเมืองทำสมถะไม่ค่อยเป็นแล้วทำสมถะไม่ค่อยได้สมถะทากันนานกว่าใจจะเข้ามาเป็นหนึ่งฉะนั้นการทำตามรูปแบบเต็มที่เนี่ยเราทำไม่ค่อยไหวเราทำได้แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านเราทำได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อทรัพยากรความสงบเรามีน้อยเราจะมารอให้สงบเต็มที่ก่อนแล้วมาเจริญปัญญานี่มันไม่ทันกินจนแก่ตาย มันยังไม่ได้สงบจริงเลยเรายากจนเราก็ต้องทำมาหากินไปแบบจนๆของเราอย่างนี้แหละทำความสงบได้นิดๆหน่อยๆก็เอาไหว้พระสวดมนต์ได้นะก็เอาอย่างน้อยก็ได้สมาธินิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำตามรูปแบบเอาไว้เหมือนนักมวยหัดซ้อมชกชกกระสอบชกลมทุกวันจะได้ออกหมัดเร็วเราก็หัดทำกรรมาฐานอันหนึ่ง แล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสติจะได้เกิดเร็วต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยพอใจเราเผลอไปแวบมันจะไม่เผลอนานมันจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรากลัวเผลอกลัวหลงกลัวไม่ได้เจริญสติกลัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไปเกาะอะไรนิ่งๆเอาไว้อันหนึ่งนะมันไม่ได้จริงหรอกต้องใจถึงๆไม่อย่างนั้นเดินต่อไปอีกไม่ได้ชาตินี้จะได้อยู่ที่เดิม เคยเห็นสะพานข้ามคลองตามบ้านนอกไหมเป็นไม้ไผ่ลําเดียวแล้วอย่างมากก็มีไม้ไผ่อีกอันหนึ่งอยู่ข้างๆถ้าเราจะข้ามสะพานให้ได้แต่เรากลัวตกสะพานนะเราจับไม้ไผ่ข้างๆเอาไว้จนแน่นมันข้ามไม่ได้หรอกนะต้องจับบ้างปล่อยบ้างปล่อยมือไปตอนนี้ทรงตัวได้แล้วปล่อยมือไปเดินไปได้สองก้าวจะตกแล้วคว้าเอาไว้ฉะนั้นการทําตามรูปแบบเหมือนราวสะพานหรือการที่เราประคองรักษาจิตเอาไว้ เหมือนราวสะพานแต่ถ้าเราประคองตลอดเวลาเราไม่ยอมข้ามสะพานแล้วก็ยืนดูสะพานอยู่ตรงนั้นเองข้ามฟากไม่ได้นะเดินไปได้นิดหน่อยสองสก้าวก็ไม่ยอมเดินแล้วต้องใจถึงนะอันแรกสุดถือศีลห้าเอาไว้ก่อนศีลห้าจาเป็นที่สุดเพราะต่อไปนี้เราจะไม่ข่มใจแล้วพอเราไม่ข่มใจกิเลสจะขึ้นมาเยอะฉะนั้นต้องถือศีลห้าเอาไว้ก่อน กิเลสจะรุนแรงแค่ไหนไม่ให้ล้นออกทางกายทางวาจาไปเบียดเบียนคนอื่นอันที่สองฝึกซ้อมของเราทุกวันฝึกซ้อมมีรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเครื่องอาศัยเอาไว้อันที่สามสติจะเกิดขึ้นเองอันนี้จะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ทุกวันต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมเลยใจมันจะกระจายมันไม่มีแรงเหมือนรู้นะแต่ไม่รู้นี่สุดโต่งอีกด้านหนึ่ง